มีอะไรเหลือองค์หงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังถ้าลูกหลานผู้ใดมันจะมีเสียงให้เอาลงไปยึไว้ข้างล่างก่อนเอาไปไว้ข้างล่างก่อนยังค่อยเอาขึ้นมาข้างบนเวลามันใหญ่ค่อยขึ้นเอาขึ้นมาฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้มันยังฟังไม่ได้มันรบกวนหมู่พเพื่อนเอาไว้ลงไปข้างล่างก่อนลูกหลานผู้ใดจะเสียงดังเอาลงไปไว้ข้างล่าง ทาไม่รบกวนไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันอาทิตย์พวกเราคณะจทธายาติโยมจากจาตุรทิศเมื่อมีเวลาว่างก็ สแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการสแสวงหาเราเกิดมาในโลกมีการสแสวงหาอยู่สองอย่างคือสองทางทางกายและทางใจแต่โดยมากพวกเรา ท่านทั้งหลายไม่ได้ไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาพวกเราคงจะเห็นว่ามีแต่การโะแสวงหาทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นสําคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะนั้นพวกเราจึงไม่ลืมหูลืมตาในการสะแสวงหาทรัพย์ในเมื่อเราสะแสวงหาทรัพย์อย่างไม่ลืมหูลืมตาอย่างที่ว่า ตั้งแต่เรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่อการอยู่ดีกินดีเพื่อจะได้หน้าที่ตําแหน่งที่ดีเพื่อจะได้เงินเดือนสูงแล้วก็การเรียนหนังสือไม่รู้ว่าวิชาขแขนงไหนวิทยาศาสตอังกฤษบัญชีเขาเพื่อจะได้หางานที่ดีๆได้ทํางานแล้วก็รู้เรื่องการบริหารจัดการ เพื่อหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยถ้าหากว่าไดจะพูดไปแล้วก็เราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยมีการแ ส, สวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่เรื่องเครื่องเลี้ยงชีพก็คืออะไรก็คือหาปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บ ที่อยู่อาศัยหาเงินมาเพื่อเหล่านี้ใช่ไหมที่หาเงินมาเพื่อเหล่านี้ใช่ไหมเพราะไม่มีใครปฏิเสธที่เราหาทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราสองแสวงหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตเพื่อให้การเป็นอยู่ที่ดีอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องตอว่าใช่ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงพวกท่านจะเลี้ยงร่างกายดีขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะอีกสักวันหนึ่งก็จะเห็นตัวเองแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดอันนี้คือการเลี้ยงร่างกายมีจดุด จ, จ, จบจเพียงแค่นั้นถ้าไม่ตายง่ายก็นั่นแหล ะ, ะอยู่ในห้อง ICU บ้างอยู่ในบ้านตัวเอง มีสายอะไรพลุงพลังไปหมดเป็นคนแก่ก็พร้อมที่จะถึงจุดจบใช่ไหมนี่แหละการเลี้ยงร่างกายเลี้ยงได้เพียงเพียงเท่านี้ถ้าเราคิดให้ยาวนะเว้นเจะพวกเราจะไม่คิดถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องคิดแต่คิดเข้าไปแล้วมันถึงจุดนั้นจริงๆแต่เราทาคำสอนของพระพยยุทธเจ้าท่านไม่ให้คิดอยู่เพียงแค่นั้นท่านให้คิดยาวกว่านั้น นี่แหละนีะ่อันนี้เราต้องการศึกษาแหลนะทต้องศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาจนเป็นหลักพัะธรรมคำสอนออกมาเนะี่ยท่านค้นคว้าศึกษาอย่างไรท่านก็บอกว่านะ่ถึงพวกท่านจะสสแสวงหาทรัพย์ได้เงินมามากขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นแก่เจ็บตายในที่สุด ดังนั้นพระพเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็มองเห็นอตัวของข้าพเจ้าเองก็คงจะเป็นเหมือนกับปู่ย่าตายายพงศ์สาขาญาติผลที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตก็คือ ค, อ ค, อความตายเราเนี่ยก็คงจะไล่ลงไปเรื่อยๆมาถึงเราแล้วก็คงจะถึงลูกถึงหลานไปเรื่อยๆแต่มีวิธีไหมมีวิธีการไหมที่จะไม่ไม่มาเกิดอีก ไม่มาแก่เจ็บตายอีกมีไหมนี่แหละเป็นแนวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยทีที่พระพุทธเจ้าไปค้นคนว้าไปศึกษาเออถึงหปีอยู่ในป่าจากนั้นก็นนะท่านจึงได้ทำคําสอนออกมาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตธาญาตโยมลูกหลานทั้งหลายต้องศึกษาในจุดนี้และจะมีวิธีการไหมนี่แหละแต่หลวงพ่อได้บอกว่าพวกเราเกิดมา ในโลกนี้ได้พบพระพุทธศาสนาพวกเราก็ได้ค้นคว้าศึกษาหาเงินคำทรัพย์สมบัติเพื่อเลี้ยงชีพหาปัจจัยสี่เพียงเท่านั้นยังไม่พอนะหลวงพ่อเตื อ, อยังไม่พอในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านต้องให้หาทมเข้าสู่จิตใจด้วยเขาว่าทมคำนี้คืออะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน แต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ว่าในตัวของข้าพเจ้าเองในตัวของพวกเราเองมีอยู่สองอย่างอยู่ในตัวของข้าพเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้นับว่าตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็คือเป็นคนะอ่านละอ่านกัดไม่ใช่ท่าไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าอยู่ในกายของเราในตัวของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือกายกับใจ กายตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายจมูกลิ้นเอาไว้จะว่าทุกส่วนคือกายแต่ส่วนใจคือนามธรรมนั่นน่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้แบบที่วิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่พูดกันก็นกคือสมองสมองเป็นผู้สั่งร่างกายให้รู้เรื่องต่างๆตาไปเห็นรูปพอใจไม่พอใจรูปสวยงามรูปไม่สวยงาม หูได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงเขาด่ามีความรู้สึกอย่างไรนั่นะมาถึงใจอะไรตัใจเป็นผู้รับรู้อะตจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันที่ส่งเข้ามาหาใจใจรับรู้เรื่องต่างๆนี่แหละอันนี้ละตัวใจตัวนี้หละเป็นตัวที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องของใจ แต่เรื่องของกายนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็นเลี้ยงเถอะถึงจุดจบอย่างที่ว่าเนี่ยแปดสิบเก้าปีเราก็หมดสภาพแล้ว70ปีเริ่มละเจ็ 70, 80, ปีเน่ยเริ่มหมดสภาพไปเรื่อยๆเพอในที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตอันนี้ไม่ได้ฉาบไม่ได้แจ้งอันนี้พูดตามธรรมชาติของร่างกายของมนุษย์ชาติถึงพวกเราจะคิดหรือไม่คิดก็มันตรงอยู่ในสภาพนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น เพราะหลักธรรมคาสอนของท่านได้พูดไว้แล้วท่านได้ค้นคว้าศึกษาแล้วได้พิจนารณาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าร่างกายของมนุษย์ชาติมันมีอยู่เพียงแค่นี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะถึงจะรักษาโมอคุยขนาดไหนก็เถอะรักษาสุขภาพอย่างนั้นสีวภาพอย่างนี้รักทานอาหารสีวภาพอย่างน้นอย่างนี้คุยได้ เพราะตัวเองยังไม่เป็นไรแต่อีกสักวันก็จบเหมือนกันไม่มีใครที่จะยู่โชคฟ้าดินสลายไปได้โทษได้ขณะที่ยังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นคุยไม่ออกเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะรลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ทำยังไงที่นี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อกาลังพูดอยู่จุดนี้นจะให้ออกยังไง ให้ทำยังไงนี่แหละอันนี้เราต้องศึกษาี่ศึกษาก็คือเรื่องของใจเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเราจะทำยังไงจะทาให้ใจ ด, ดวงนี้นะรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องต่างๆทั้งหลายทั้งปวงต้องศึกษาต้องปฏิบัต ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าหวาว่านึกคาดคะเนเดาประมาณการไม่ได้ทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติจึงจะรู้ได้อถ้าปฏิบัตินี้คือยังไงให้คนอื่นปฏิบัติแทนได้ไหมไม่ได้เมื่อนคนทานอาหารเข้าไปเจ้าหิวอาหารให้คนอื่นรับทานแทนได้ไหมก็ได้แต่เขาทานเขาคนอิ่มเขาแต่ตัวเองไม่อิม่ม ถ้าคนอื่นเรียนหนังสือแทนเข้าไปเจ้าได้ไหมได้เขาเรียนแทนแต่ตัวเองไม่มีความรู้เขาผู้เรียนเขาได้ไอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าว่าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงเราต้องปฏิบัติเองการปฏิบัตินั้นทําอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าตทว่าเราในตัสรูในโคลนต้นโพวันเดือนหกเพลนนั้นเรานั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจส่งไปออกไปข้างนอกให้จิตใจใจของเราให้อยู่กับที่ให้อยู่จุดนั้นจุดเดียวจากนั้นก็เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจของเราสงบพัสไทยในความรู้สึกของเรา รวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานทัศนะเกิดฌานขึ้นมาเราจะรู้ได้โดยตัวเองว่ากายกับใจใจกับกายเนี่เป็นคนละอันได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเจนในขณะที่จิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วแต่ตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เองท่านบอกว่าเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้สึก เกิดความรู้พิเศษเพราะเป็นท่านเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านจะกว้างขวางกว่าพระสาวกทั้งหลายจากนั้นท่านเกิดญาณรัตนะเกิดฌานปุปเพนิวาสานุตสติญาณลำลึกชาติุนหลังได้อันนี้แหละคือท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพในวันเดือน6เพนอันนี้คือวิธีทมวิธีทางของพุท ธ, ธะแต่ได้มาพูดถึงวิธีธ ร, รมวิธีทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายหลงปู่มั่นของเราหรือหลงตามหาบัวลูกปู่ล่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราในยุคปัจจุบั น, นที่ท่านแนะนำสั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งหลายท่านก็นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านในศึกษาที่ท่านในปฏิบัติท่านก็นามาปฏิบัติฝึกหัดตัวของท่านเองครูบาอาจารย์เองท่านบอกว่าเวลาเรานั่งนั่งเหมือนพระพุทธเจ้า นั่งเหน่งพระพุทธรูปนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าให้บริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโททำไมบริกรรมพุทโทด้วยเพราะว่าเรากำหนดลมหายใจธรรมดาเนะี่ยมันหลุดได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพราะฉนั้นจึงเอาสำทับเข้าพุทโทเข้าด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท คือพระพุทธเจ้าท่านเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนั้นเป็นว่าอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นสายของหลวงปู่หลวงตาของเราท่านบอกว่ากําหนดแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันเผลอได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายต้องสำทับกับพุทโธเข้าด้วยนะอันนี้ก็คือกรรมฐานอนุสติสิบ อนุสติคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้10บอย่างเรียกว่าอนุสติคือระลึกถึงกรรมฐานที่ควรระลึกถึง10บอย่างพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณของพระพทุทธเจ้าธรรมมาสังขาศีลาศีลารือระลึกถึงศีลจาคาระลึกถึงทาน เ, เทวดาระลึกถึงเทวดาคุณค่าที่จะให้เป็นเทวดานะั่นคือทําตนอย่างไรที่จะเป็นเทวดาได้ ถ้าทำชั่วชา้าชั่วช้าเสียหายคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วจะเป็นเทวดาไม่ได้จะเป็นคนดีไม่ได้ต้องคิดดีทำดีพูดดีจึงจะเป็นเทวดาเนี่ยล้ำลึกถึงเทวดาจะทำยังไงจึงจะให้จิตใจของเราเป็นเทวดาฮะแล้วก็อานาปานาสติระ ล, ลึกลมถึงลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานาแล้วก็มารณ ะ, ะนุสติระ ล, ลึกถึงความตาย ที่จะมาถึงกับตนอยู่ตลอดเวลา อ, อ, อุปสมานุจติและลึกถึงคุณของพระนิพพานที่จะดับกิเลสและกองทุกได้นี่แหละอันนี้คือ อ, อนุสติสิบที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แต่ถึงยังไงพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านว่าให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธ ก็ไม่ผิดกติกาที่ว่าอนุสติ10บในอนุสติ1ิบนั้นพระหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาของพวกเราเนะี่ยเอามาใช้สองอย่างคืออนาปานสติกับพุทโธเอามาบวกกันเพราะนั้นพวกเราที่ได้ฟังแนวแถวของครูบาอาจารย์แล้วก็ทดลองหรือให้ปฏิบัติ ด, ดูสิพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าเกิดและตาย ตายแล้วเกิดหลือตายแล้วสูงพวกเรานั่งจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าปุ เ, ปเพนวาสานุสติญาณอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้นั่งเราละลึกชาติทนหลังคือดูใจกับดูกายเห็นชัดเจนแต่ได้มาถึงหลวงปู่กูบายจานว่าเมื่อภาวนาเข้าไปบังคับจิตใจให้อยู่กับกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต้องนั่งให้นานนะ ต้องพยายามนั่งให้นานแต่มือมีโอกาสเราหาโอกาสอย่างอื่นเรายังหาได้หาโอกาสนั่งคุยกับคนหาโอกาสดูวิทยุโทรทัศน์ดูหนังฟังเพลงยังถึงโอกาสได้ถ้าเราหาโอกาสที่จะนั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมหรือสองชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงหรืออาทิตย์หนึ่งเราจะนั่งครั้งหนึ่งสัก5ชั่วโมงได้ไหมหรือ3ชั่วโมงได้ไหม ก่อนที่จะนั่งเราตั้งจิตอธิษฐานซะก่อนวันนี้เอาเถอะข้าพเจ้าทำธุระการงานหมดแล้วข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ในห้องพระข้าพเจ้าจะนั่งประมาณสักสามชั่วโมงวันนี้จะไม่ขยับเขยื่อนแล้วก็จะบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดจะไม่ให้เผล อ, อ, อหายใจเข้าข้าพเจ้าจะบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโทนี่แหละให้มีตั้งจิตอธิษฐานคาว่าอธิษฐานอธิษฐานคานี้นะ่ พวกเราได้ยินกับเหมือนกับเชยเชยและเป็นของล้าสมัยเข้า่าตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคื อ, คอตั้งใจมั่นคือให้จิตใจไม่ได้คิดฟวกแฟกไปทางอื่นให้ใจมั่นคงกับเรื่องที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นี่แหละอธิษฐานคือตั้งใจมั่นในเมื่อเรานั่งกัสมาธิอยู่ตามลําพังอยู่ในห้องพระอยู่ที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระที่มารักษาศีลเราถือโอกาสนั่งภาวนาอยู่ตามลําพัง ไม่ต้องพูดคุยถึงใข่นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธนั่งให้นานกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นถ้าเรามีความใส่ใจสนใจอยู่ใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละในหลักธรรมคาสอนอว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ประมาณการไม่ใช่คาดกันเองไม่ใช่เดาไม่ใช่ให้คนอื่นทําแทนตัวเองทําให้ใหกับตนเอง นั่งภาวนาตั้งจิตอธิษฐานด้วยความมั่นใจด้วยความตั้งใจจริงจากนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทให้แใจออกโธจิตใจใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นนะเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกา ย, เ, ยเป็นคนละอันกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตัวไหนมาเกิดตัวไหนจะพาไปตายร่างกายตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนไปนเผาไฟทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น แต่นามธรรมคือใจของเราตัวผู้รู้ในเอเจ อ, อกจากร่างไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็คือใจของเราเนี่ยตัวตัวผู้รู้นามธรรมตัวนี้แหละตัวที่มองไม่เห็นนั่นแหะแต่พระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทนะ่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะมากกว่าเรื่องของกาย หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าท่านให้ความสําคัญโซโฟเฟอร์มากกว่ารถรถเนี่ยเป็นเป็นของรับใช้ของโซโฟเฟอร์โซโฟเฟอร์ถ้าโซโฟเฟอร์ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีมีคุณธรรมที่ดีอย่างพระไทยของพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้ร่างกายเหมือนของเหมือนกับพวกเรา แต่พระไทยของพระพุทธเจ้าเน่ยเป็นเป็นพุทธะอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพราท่านใช้ร่างกายของท่านก็เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกนี้ก็เหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นพระอรหันต์ความรู้สึกนึกคิดของท่านเป็นพระอรหันต์แต่ร่างกายของท่านก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายแต่เมื่อท่านให้ความสคาคัญเรื่อง ของใจนมากกว่าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูงพูดได้ง่ายๆให้ศึกษาถ้าศึกษาดูแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วกายกับใจใจกับกายจะเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใครแล้วก็บอกตัวเองได้อีกกว่า เมื่อตายไปแล้วเป็นยังไง ร, ร่างกายนี่แตกเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนใช่ไหมใช่แต่น้าธรรมตัวนี้เนี่ยเด่นชัดนี่จะไปเกิดที่ไหนเรามีบุญหรือยังเราได้เตรียมพร้อมหรือยังบุญกุศลของเราได้เพียงพอหรือยังเข้าสู่จิตใจของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาเพราะเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราจะได้พลาดโอกาสให้ไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละพวกเราจะมั่นใจในตัวของเราเองตรงตัวของข้าพเจ้าเองจะไปเกิดในภพภูมิใดพวกเราก็จะได้รับแต่ความผาสุกเพราะเหตุไรพอเราได้ปฏิบัตินี่แหละ การแนะนำสั่งสอนที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้ปฏิบัติมาท่านก็เพียงแต่กุยหมายลพายทางให้พวกเราได้เดินตามเมื่อเราเดินตามแล้วท่านก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพวกเรามีแต่ท่านบอกว่าทำปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลูกหลานนะถ้าปฏิบัติตามที่ทำคำสอนของท่าน เ, เราก็มั่นใจท่านก็มั่นใจว่าต้องเจอแน่เพราะว่าท่านผ่านมาแล้ว รู้มาแล้วเห็นมาแล้วแต่เว้นเสียที่ลูกหลหานหันหลังให้ท่านหันหลังให้ก็ไม่ว่ากันนรกก็ยังไม่เต็มถ้าทำความชั่วพร้อมที่นรกก็ยังไม่เต็ ม, มไม่เหมือนคุกเมืองไทยทำคุกเมืองไทยมันเต็มมันล้นนะแต่คุกเมืองนรกคุกเมืองผีเนี่ยไม่มีเต็มเจ้าวันก็เหมือนกันไม่มีเต็มถ้าใครอยากจะได้ก็เลือกเอาได้ โลกนี่มันโลกหาได้จะไปทางดีก็ได้จะไปทางชั่วก็ได้จะไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะเป็นคนพานก็ได้จะเป็นคนขี่คุกก็ได้อยากจะเป็นรัฐมนตรีระดับไหนผอค้าประชาชนระดับไหนก็ได้หาได้ถูกทุแทแต่ความสามารถของเราแต่เราขี้เกียจขี้ข้านก็หาอะไรไม่ได้ถ้าเรามันขยันใช่จิตใช้ปัญญามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ หาอะไรก็หาได้โลกนี้โลกหาได้อันนี้คำวัดลีนี่คือคุณแม่ชีแก้วท่านบอกโลกนี้โลกหาได้พวกเราคิดดูสิแต่บางทีเราอยากจะได้นู่นอยากจะได้เป็นเศรษฐีเนี่ยแต่ตัวเองขี้เกียจมันจะได้ยังไงเพราะมันเหตุไม่เหตุไม่พร้อมแล้วผลมันจะเกิดได้ยังไงถ้าเรามีเหตุพร้อมผลมันก็ออกมาเป็นระยะระยะระยะ เมื่อเรามีเหตุเมื่อก็ผลก็ต้องตอบสนองนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆคนลูกหานทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นานทีพวกเราจะได้มาสู่วัดวาศาสนานานทีจะได้ยินเสียงหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อได้บอกกล่าวในทมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ยินอย่างน้อยก็เป็นเครื่องสกิดใจส่วนหนึ่งถึงพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อเองเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นเองแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อและไม่เชื่อนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องกันกอ ร, รองไตรตองด้วยเหตุและผลถ้าพวกท่านลงมือประพฤติป ฏ, ปฏิบัติดูแจง้งเห็นจริงเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอะมันถ้าหากว่าปฏิบัติได้แล้วแต่ถ้าว่าปฏิบัติยังไม่ได้เนะี่ยได้ยินแต่หลวงพ่อพูดนะเนี่ยเหมือนกับโอ้ยอพูดเกินจริงหรือเปล่านะก็สุดแท้แต่พวกเราจะเดา เพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครพูดที่ไหนก็เชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะพระพุทธเจ้ายังตรัสกับภาษาเบุตรว่าดูก่อนสาษารบุตรที่เราตถาคตพูดลงไปเนี่ยบอกไปเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเชื่อไหมภาษาเรีบยบว่ายังก่อนพระเจ้าค่ะจนกว่าข้าพระองค์จะได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์ จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านะนี่ขนาดพระสาวกภาษาไรบุตรแทๆ้ๆท่านก็นยังพูดอะไรท่านก็นยังไม่เชื่อทีเดียวเพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรมาก็จะเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ให้นำไปการกลองไต่ตองด้วยเหตุและผลซะก่อนถ้าการกลองไต่ตองด้วยเหตุและผลแล้วเออเป็นที่ยอมรับแล้ว น่าเชื่อถือแล้วเป็นไปได้แล้วถ้าพวกเรายังดันท่หลังไม่เชื่ออยู่อันนั้นเป็นความโง่ของพวกเราท่านทั้งหลายเองเพราะเหตุไรเพราะพวกเราดันท่หลังทั้งที่เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พวกเราไม่เชื่อเองอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็เป็นยังไงก็อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวาน่าหลวงปู่จามท่านว่านรกยังไม่เต็ม แน่ใครทาใครทําความชั่วก็ทําไปเถอะความชั่วนีนนะ่ยนรกพร้อมที่จะรับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่สวรรค์ก็เหมือนกันถ้าใครทําความดีกว่า น, นั้นล่ะสวรรค์ก็ขอยรับพวกเราอยู่เหมือนกันะเพรผลนั้นนรกและสวรรค์อย่างไม่เต็มนะพี่น้องลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมนะแต่ถึงอย่างไงอย่าไปเถอะนรกมันทุกข์นะไปสวรรค์ดีกว่าถ้าไม่มาเกิดในวัฏสงสารถึงพระนิพพานนะั้นเลิศประเสริฐที่สุดนะ อต่อนีนไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร